นับวนะนัวันา น, วนาพุโธพุโทโธเป็นเอกชนเป็นกำเนดวงจิตนีน่พุทโธมีเป็นคำแทนชื่อของความรู้ของปกติเนี่ต้องอาศัยอันนี้ให้มากที่สุด รู้จิตของเราลักษณะอย่างหนึ Me Sabbath> Me Sabbath. Human ่งสติมันก็มีเในความรู้มันก็มีเหมือนกันกับความรู้ของสัตว์สติมันก็มีเมื่อมันจะจับสัตว์กินเป็นอาหารมันก็มีสติจับสัตว์มาแล้วกลัวจะดุให้ดุมือมันมันก็มีสติ นั้นมันก็มีสติแบบนึนงอย่างนั้นเราถึงแยกมันจะติดพระพุทธเจากก้าของเราเลยว่าสอนเาโท่โทคือให้มันตื่นคือความให้จิตตื่นจิตตื่นขึ้นตรอความรูน้นึ่ ถ้าความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มองเงห็นติ๊กของเราถ้าคุทโทนี้ยังมีสิ้นขึ้นถึงมีสติอยู่มันก็ยังไม่รู้มันก็ยังไม่เจิประโยชน์สติความรู้น่านีต่ออาศัยพดโธเพื่อรู้ ความรู้แจ้งคือความสว่างเกิดขึ้นมาเมื่อความสว่างเกิดขึ้นมาเราไปพายกไคือว่าเราอยู่ในที่มืดความสว่างนึไม่ไปทั่วถึงไอชิ่งอะไรที่มันปิดบังอยู่เป็นวัตถุอันใดอันหนึ่งมาตั้งอยู่มันก็ยังไม่มองเห็นชัดถ้าความสว่างนี้มันมากขึ้นมา วัตถุที่มันจิดบางอยู่นั่นมันก็มีดวงสว่างเข้าไปถึงมันมันก็ไปรู้จักเข้าไปทุกตีทุกตีเป็นว่าเราสอนเด็กเด็กนีมันไม่รู้จักภาษามันจะเราจะเร่งมันเกินไปประเมินจะดุมันเกินไปประเมินเรียกราวกัเหมือนการฉันทั่นก่อนฉันจะเสื่อมันเป็นบางครั้ง ่วนมีนทามันเป็นบางคราวเหมือนกะเด็กนถ้าเราดูมันบ่อยเอากินเอาจังจนเกินไปมันก็เดินไม่ถูกทางทั้งทั้ีมันตั้งใจจะสร้างความดีูมันก็เป็นรูปเดินก็ไม่ถูกทาง นี่คือเราเล่นมันจะเกินไปหมายถึงว่าสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาปฏิปท า, าคือการประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาจิตนี่เราพูดเรื่องของจิตปฏิปทาของจิต พระพุทธองค์ให้รู้จักทรมานจิตสอนจิตวายที่เราสอนจิตของเรานะบางทีจิตของเราเนะี่ยมันเศร้าโศกบางทีมันก็ล่าเลยเรื่องของจิตมันก็เป็นอย่านหมืนก็บเด็ก ม, มันเก่าเลยที่แม่รู้ภาษาถ้าพ่อแม่ที่คุมครองเด็กมันรู้ภาษายิ่งคนเด็กรู้อยู่เหนือเด็กนี่ก็เป็นคนรู้เหนือเด็กนี่ก็สามารถที่จะมองเห็นเด็ก ม, มีความบุกรองมากที่ไหน ทุกทีทุกทีจิตแนี้ก็เหมือนกันจิตที่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้ความฉลาดขึ้นยิ่งกว่าจิตที่เรียกว่าพุโทโธมันก็มองเห็นอาการจริตมองเห็นตัวจิต ยังเห็นอาการผิตในทุกอย่างถ้าเป็นเป น, น้นมันก็เกิดอุบายที่เมยมันจะสงสัที่แม่มันจะอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของกิตส่วนตัวรูที่เรียกว่าพุทโธนี่เหมือนกับพอแม่เห็นเล เด็กปล่อยไปมันจะนิ่งไปที่ไหนมันจะคลานไปที่ไหนอะไรที่ไหนพ่อแม่ผู้ที่เป็นผู้พอาจารย์ของเด็กก็ต้องดูเรื่องของเด็กเป็นธรรมดาอย่างนั้นบางทีก็เราคิดเกินไปถ้าสอนเด็กก็เฮลุกมันเกินไป สอมันเกินไปมันไม่เอาใจจสกมันหลงกลายไปสอนอะไรมันก็ยื่งกลายไ ป, นยยนยไปจนเกิดที่เดินไม่ถูกมันเดินไม่ถูกเรื่องของผิดเนี่ยมันเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือมันเรื่องสงสัย เร่งสงสันสยนี่แหละมันเป็นเรื่องที่สาคัญอันนี้สกายแจิตติมีจิตชา้ามีระพัฒาพรือมม่อันนี้เป็นทางออกของพระอริยเจ้าทั้งหลาย แต่เราเห็นอยู่ตามตัวนังสืไม่จะเห็นตามความเป็นจริงสักกายะสิทธิการออกจากกายของตัวตน้นซึ่งเราเห็ว่าตัวต้นของเราหรือของบุคคลอย่างนี้สักกายะสิทธิ มันพึ่งตัวมันหมายถึงตัวของเราบาความเห็นตามก า, ายนี้กายนี้อันนี่เราจะมนทำความเห็นว่าให้มันรู้ตามเป็นจริงของมันเช่คือเรื่องกาย กายรูมันก็เป็นประเภทหนึ่งมันจะเป็นเบ็ดที่วางจิตใจม น, นุษย์เราทั้งหลายไม่เห็นธรรมะเป็นส่วนที่สำคัญฉะนั้นพระอุปชาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานให้ท่านก็สอนส ก, กายสติที่บอกว่าเจ่าโลมานัขาทันตา ตะโอันนี้ก็เป็นเรื่องสกายสิทธิเป็นเครื่องห่อแต่คุณบุตรคุณนธิดาทั้งหลายก็ถูกพระอุปชาสอนกรรมฐ า, านอยู่นะแต่มันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นคือไม่รู้ทางความเป็นจริงของมันไม่รู้ทางความเป็นจริงของมันมันก็ยังมีความยึดมั่น มีควางตือมั่นอยู่นั่นนี้มีเห็เ่องมาแล้วพระเถองค์ท่านสอนมาให้ออกให้ขอกคือเห็นชัดเข้าไปแบบกายตนเนี่ยกายบุคคลอืน่นมันก็สม่ำมเสมอกันไม่มีจิตเป็ดอะในกายกายนี่ก็สักวดกาย ไม่ใช่สักบุคคลตัวตวนเราเขาเรียว่ากายานุษษษษษษษปัสสน า, า, าเป็นกายเครื่อว่ามันเป็นกายเราพอไปยึดมัน่นถือมั่นหมายกายก้อนี้เป็นเราก้อนนี้เป็นเขาหรือกายข้อนนี้เป็นของเที่ยง เป็นของสะอาดอย่างนี้ยึดในใจของเราเจ้นี้กระเด็นวักตายมันยึดไว้สกายติสติสงสัยในสกลกายของเรานี่มันไม่ทะลุเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นอัตตายึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนโดยที่สมมุติไว้ อย่างนี้มีทางแก้ไขอะไรไหมมีอนนถ้าว่าเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ตามความจริงของมันแล้วมันจะเห็นกายอันนี้ง่ะสักแ ต, วกตวก่ว่าสักแต่ว่าการที่ประศักแต่ว่ามันทําลายความรู้สึก ความรู้สึกเช่นนี้มันทําลายอุปาทานมันถอนออกไปมันพุ่งออกไปสัจติเราคนคนคิดดูอ่ะเออมันสักจติว่าท่นั้นนะพอพูดคาสัแต่ว่าขึ้นตอนนี้มันจะมีความปล่อยมีความปล่อยหว่างมันเป็นของสัจต่ว่า อันนี้ให้ความรู้สึกในใจเสมนเมื่อห็นจักจะว่ากายนี่จักจะว่าวิจิตรฉามันก็ถอนเอาพร้อมกันเด้อถ้ามนันคิดจักแต่ว่ากายนี้ก็จักต่ว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตวนเราเขา อย่างนี้ชัดข้าไปเมื่อไรความสงสัยคือความลังเลคือความสงสัยนี่มันก็ค่อยไปตามกัน ทิฏฐระจับปรมาสใจของเราเนีจะมารูปคลำว่ามันเป็นนั่นว่ามันเป็นนี่มันก็ไม่นีเพราะมันเริ่มมาจากาสกายจิตที่จิตช้าทิฏฐประจบปรามาอันนี้มันเป็นไวโพธิสุนตเด็กกัน ถาเรเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นวิกิจิตชาเกิดขึ้นเมื่อไรสักกายทิจิตเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ปล่อยวางวิกิจิตชาความลังเลงสงสัยมันก็ไปพร้อมมาตัวระดับการลูกครัมอย่างนี้มันก็พร้อมไปพร้อมกัน เห็นเป็นส่วนหนึ่งถ้าเราพยายามยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอว่าในกายก้อนนี้ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นโดยสว่างตึงโบยที่ว่าเราพยายามติดต่อไว้เสมอเรื่ย มันจะรู้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราทำจิตให้สงบผู้มันสงบนี้ก็คือจิตมันเป็นสมาธิอุปจารสมาธิคณนิกะสมาธิอัปปนาสมาธิคำที่ว่าสมาธินี้มันก็เป็นเรื่องคณะของจิต อุปจารสมาธิอุปาจารสมาธินี้เรานั่งหากวามสงบมันมมก็สงบอุปาจาระเนี่ยมันเที่ยวเที่ยวอยู่ในวงจรของมันมันไม่เที่ยอวออกไปจากขอบเขตของมันขอบเขตของสมาธิที่ ม, มัน่น แต่ก็มันนีเ้เรื่องสลัสซับซ้อนกันไปสลับซับซ้อนกันไปสงบบ้างไม่สงบบ้างคําที่ว่าไม่สงบนั้นมันก็สงบส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่หนึ่งแม่แต่ว่ามันย้อนไปมันพั่วไปพั่วไปมันก็เชื่อไปในบ้านนั่ะเชื่อไปในขอบเขตของความสงบ มันไม่ได้เที่ยวไปที่อื่นเพื่อไปส่วนที่มันเป็นกุศลเมื่อดเที่ยวไปในบาปหากกุศลมันเที่ยวไปในกุศลก็ระวังว่าจิตในขณะนั้นมันเป็นกุศลแล้วมันเป็นกุศลธรรมแล้วถึงแม้ว่าอืม มันสงบเป็นบางครั้งก็เรียกว่ามันนิ่งสงบประการที่สองนั่นเมื่อก็อนหมันจรไปเที่ยวไปมันเที่วไปมันก็เที่ยวไปในความสงบดาบในความสงบนั้นไม่มีทางเสียหายอันนี้เป็นเรื่องดำเนิ น, นการที่มันจะเป็นอยู่คณิกะจมมาธิ ไม่นานเป็นขณะมาทำแลกกของรูปไปสมุขแล่กประทอนมาแลวก็รสริมันเป็นคณิกาสมาธิอาการมันคล้ายๆกันท่านจึงเรียกอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิอปนาสมาธิ ทูสมาธินี่นเหมือนกันตัวที่มันสงบนั่นมันเหมือนกันอาการที่มันสงบนั้นมันต่างกันอันหงมันจรไปมันเที่ยวไปแต่เที่ยวไปในวงจรที่มันสงบไม่เที่ยวไปใวงจรที่มันวุ่นวายกลับมานี่มั่งเที่ยวไปบั่งแต่ค่ายกันแต่เราโดนเมื่อที่เราหยุดอยู่บ้าง บางทีเราจะเดินไปบัางเราหยุดอยู่บ้างอย่างนี้ถ้าหากมาเที่ยวในรูปของเราเป็นบางทีเราจะเดินก็ไปเที่ยวไปหยุดอยู่พักหนึ่งแต่ให้มันไปหยุดนิ่ยิงงแต่ว่ามันก็อยู่ห น, าน้านม่ได้อย่างนี้มันเป็นสนิการสมาธิอันนี้พวกทุเรศจ่ตทุเรนมันจะเป็นอย่างนี้อัปปนาสมาธิ มันจะมีความสงทระงรับอย่างแยบคายถึงแม้ว่ามันจะมีเสียงข้างนอกโลกข้างนอกเสียงข้างนอกอะไรเป็นของข้างนอกนอกจากจิต ข, ของเจ้าของเนื่นนะมันจะมไม่ม่รบกวนคราถึงแม้เราจะยินอยู่มันก็ไม่รบกวนได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินโกเหมือนมันไม่โลกคือมันปล่อย มันมีอาการจ่อยมันมีอาการวางอยู่ในตัวของมันเสร็จเข้าไปอยู่ น, น, นานเมื่อมันอยู่นานตามตารนาคนเะลยบางทีมันก็ถอยออกมาถอนเมื่อมันถอนออกมาอย่างนี้บางขณะมันก็เข็ม บางทีรูปของเรานี่ยเอหรืออสุภะอะไรอย่าเงี้มันฟูกันมามันฟูกันมาดงจะเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างมันจะเห็นชัดกันมาท่มันเป็นไปในทางที่สุขมันจริงๆเลยทังใวันวรับตาเขามันเห็นชัดลืมตาแล้วไม่เห็นดับตาแล้วมันเห็นชัดร้ายกันนาะ ที่นีก็บางทีก็จะเป็นอสุภะสิ่งที่เรากำนดว่ามันไม่แน่มันไม่สวยมันไม่งามมันเป็นของไม่สะอาดมันเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารอุบายทั้งหลายเรลาเส็นจะะน้อมกลับมาไปในใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นมาบางทีก็เป็นโมกถึงเรืองอสุภะมันก็ฟูขึ้นมา ชัดกับไปกว่านั้นเห็นกัไปกว่านั้นยุ่งกัไปเห็นจนจิตเดามันสะดุดจิตเดมันสังเกตหรือมาเห็นชัดกับไปจริงๆอย่างนั้นนี่เลยว่าเห็นในความสงบเมื่อคนเห็นในความสงบการที่จะน่าอยู่ที่ในความสงบนั้นมันก็เห็นชัดกับไปยิ่งแน่กับไปชัดกับไปมันพ้นตัวในความสงบของมันนั้นอย่างนี้ เบียดห า, ากรรมฐานที่เบียกหวาสักกายกยติจิตนี้มันก็ชว์จะทำลายออกไปเรืยๆหมดไปดุจจิดฉาความสงสัยนี้มันก็ไม่มีในร่างกายก่อนนี้สีรักษาปรามาถึงแมว่ามันจะเป็นโลกอะไรมันจะเป็นขนายมันเป็น เป็นโลคอะไรมันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะไข้อะไรก็ตามทีมันจะ็อันเป็นเหตุที่ให้ร่างกายอันนี้มันไหวไปตามเรื่องของมันไอความรู้ความนัก็มั่นมั่นอยู่จิตมันก็เป็นส่วนจิตกายก็เป็นส่วนกายเมือนเป็นคนในอย่างมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนนี่เรื่องจิตก็ไปเห็น สภาพของกายอย่างนี้นอนอย่างนี้ความรู้สึกของร่างกายนั้นเมื่อดูในความสงบแน่ชัดแล้วมันก็จะเกิดยึดยึดยึดพาความเบืวอนายไอ้ความเบือ่อนายนั้นมันเกิดมาก็งคาะงสะ ด, ดุดสันเวชของมันตรง่ะความเบืวอนายตรง น, นี้ แต่ก ล, ลัวนัไนเป็นกาแค่เกลียดนั่นเป็นการอากอิจฉาพยายามมันไม่ใช่ทั้งนั้นมันจะมีอาการจ า, างความเบื่อหน่ายของมนุษย์ผู้โชนเราเบือ่อนายของมนุษย์ผู้โชนเราไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ความบวชนายอันนี้คือการปล่อยวางตามธรรมชาติเของมั น, น, นไม่ไปนยึด ว, ว่าแกจนเป็นอย่างนั้นแกจนเป็นอย่างนี้ให้นั่นเป็นไม่มีปล่อยตามสภาพมันไม่ต้องกดอะไรอย่างใดอย่างห น, นึ่งเห็นภาพชัดเลย สัจจะสุภิมีจิตวิชาทิรปตา p a มา m a ซึ่งทั้งสามประการนี้เป็นรูปฐานอยู่ก็เรียกวา่าไม่หลงทางเป็นต้นต่อเป็นต้นทางเป็นต้นทางเห็นความจริงรู้ไปจัดในรูปทีว่าเป็นอะริยสัำคัะ อริยสัตวจะต้องผ่านต่อไปทุกองทุกสะองจะต้องผ่งานไปนี้รู้จักไอเยสทุกชุมทยนิโรธมทุกเกิดทุกก็รู้จักเฮตขีะในทุกเกิดก็รู้จัก พอปฏิบัติให้ถึงความหลักทุกมันก็ไม่สถานอันเดียวกันนั้นมันจะรวมกันเป็นมังคาสามกตีรวมนั้นถ้าเนมันูภายในยแต่ความสงสัยทั้งหลายเหล่านั้นมันจะมารวมตรงนั้ น, นมันจะมาตัดเพนี่คือาการจิตของเรา เป็นเวลกรรมเก่ามของเราเนี่ยที่เราพยายามทํามันู้นอันนี้เลื่อนทุกเร่องอยากเรื่อนสนุกสนานอะไรมันก็ฟูขึ้นมาอันนั้นมันเป็นของเก่าเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแต่ว่ามั น, น็นพรุ่งพอดีสิ่งที่เกิด ก็หลับไปแล้วเห็นไหมชิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดคำที่ออกมาเกิดมไม่หมายถึงอุปาทานความยึดมัน่นหรือมัน่นแต่ว่าอาการของจิตซึ่งรกลียดกันหาที่มันเคยอบรมมาแล้วนะั่น ม, มันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น เมื่อมันจะอยู่อย่างนั้นจิตก็เป็นไปตามนั้นเลยนะมันคนได้ยียวกันเลยจิตนั้นมันคนได้ยียวกันนี่จะเปรียบว่าน้ำมันกับน้ำชาหรือน้ำโคมเราอย่างนี้มันมีน้ำหนักต่างกันมากแต่ว่าจะเอาไว้คนขันก็อนนะ แต่ว่าจะรวมภายในขันเดียวกันจะได้วไวรวมในขวดเดียวกันจะได้แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่แตกสื่นน้ำมันก็ไม่แตกตื่นพ น, นําชาหน้าชาไม่แตกตื้นภาน น, น้ำมันมันเป็นคนเปนเด็ดเป็นเดต้อนขวดนั่นเปียกเหมือนโลกอันหนึ่งที่บรรจุน้ำ บังคับน้าให้อยู่ในขวดนั่นมันเป็นโลกเราอยู่ในโลกนี่นก็เหมือนกันฉะ น, นั้นก็ทำตามภาษาของโลกก็อยู่ร่วมของโลกจะไปก็เลยพูดว่าไปจะมาก็พูดว่ามาจะอะไรก็พูดอย่างนี้พูดตามโลกอะแต่ว่าเหมือ น, นกันกับน้ำที่อยู่ในขวด มันเป็นปัวเดียวกันนั่นไหมแต่ว่ามันไม่แท้จริงไปนีอย่างนั้นเราอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงโลกโลกอันนี้เป็นโลกประวิตรรู้โลกอันนี้อาว่านั้นคืออะไรคือมีตามีอจมูกลิ้กจิตรู้บง่าว หัก็สามารถร้องเสียงฟังเสียงจ้องก็มีหน้าทึ่งรู้แจ้นลืมเนายรถร้องไปจอรถเปลวหวานเหมือนันโพธิ์พระต่อรู้จักเยนร้อนอ่อนแสนต่อรู้จักทำมารมเพื่อนตกิดขึ้นกับยอยู่อย่างเเขาจะทำงานอยู่อย่างเขา จั o เล็กไม n ต่างกั o เพราะเรายึ n ในเรื่จเล็กไม่ยึ n ไม่มีเันใช้สุขากับสภอันนี้มันอเสมอ o ต่าว่า ไม่มีการมีวัตอุสําสำคัญห ม, ม า, หย า, หายเหอนนตเาอยย า, อ ย, ย, า, อ ย, ย, าอยุนะทันหลานแบบนัเนต่อมันรู้ไหมกำลังสอนรู้ละธรรมะท่าที่รู้วอนเห็นเนี่ยมันจเฉยได้ยินเนี่ยมันจะเฉย ไม่เอข้าข้างโน้นไม่เอข้าข้างนีง้ใจเหงาจมูกนึนใจยิบสมใจคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโปเชื่ปล่อยวางมันปล่อยวางเห็นว่าอันนัน้นดีแต่ว่ามันก็ไม่มีอุปทานมั่นหมายเป็นอาการข อ, อกงกิจนนอันนี้ถ้านวลวศัก์แต่ว่าอายราะมีอยู่ อายตนะนันมีอยู่แต่ว่าไม่มีอาการไปอาการมาเหมือนไปจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นมาจากบ้านโน้นมาสู่บ้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่าอายตนะมันมีอยู่แต่ว่าไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างโน้นไม่เข้าข้างนี้รู้การปล่อยวางรู้อะไรก็ปล่อยวาง รัตนารู้ในการปล่อยวางเช่นนี้แหละทุกแง่ทุกมุมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่องจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราสังเกตได้ง่ายมันแปลกมันเปลี่ยน สิ่งทั้งหลายเหล่า น, นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของเราไม่มีอะไรเช่นว่าพูดง่ายๆ่าเราจะไปเห็นสิ่งใดสิ่งเช่นว่พ่อเราตายหรือแม่เราตายอะไรเราตายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราได้ตั้งมัน่นได้ดีแล้วพอคล้ายๆกันมั น, มนไม่มีอะไรมันมีอะไรมันจะหวาดมันจะสะดุ้ง นอกจากความสรุปสังเวชฉะนั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วมันวางมันปล่อยวางมันไม่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันรู้จากเกิดที่เกิดทุกข์มันทุกข์รู้ทุกข์ทุกข์เขาก็รู้จักทุกข์ที่มันเกิดมาจากเกิดอะไรมันเกิดมาจากเกิดทุประทานอันนั้นมันก็ปล่อยวางมันนะเกิดทุกข์มันก็มี สร้างขึนมาวางวางด้วยปัญญาวางด้วยความรู้คือปัญญาไม่ใช่วางด้วยความโง่อย่างนี้อันนี้พูดถึงปีติหากว่าเห็นธรร ม, มะพิจารณาธรรมะเนี่ยมันมีความสบบอย่างนี้ถึงเม้เรานั่งดับตา เมื่อความเห็นมันชัดเจนเช็นนั้นนั่งรับตาเมื่ออย่างนั้นดื่มตามเมื่ออย่างนั้นอะไรอะไรเมื่ออย่างนั้นโตจรจิตอยู่ในจิตแล้วซึ่งไม่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนเนี่มันไม่ลืมมันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่เป็น <S 2> <S 2> <S 2> มันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่ได้ลืมไม่เป็นจนมันเป็นอย่างนั้น อันนี้พูดถึงผลที่การประพฤติปฏิบั ต, ติไม่สงสัยอนาคตก็ไม่สงสัยอริยก็ไม่สงสัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแต่มีความรู้สึกว่ามันมีอริมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันมีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันชัก ไม่ได้ห่วงอดีตทำไมถึงไม่ได้ห่วงอดีตอดีตคื อ, อสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วเมื่อถึงปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตนะพูดง่ายๆอย่างเราไม่ถึงวันนี้ก็ได้ทานข้าวมาตั้งแต่อดีต เดียวนี้นเราไม่หิวก็คือผลของอดีตนี้ที่ไม่หิวนี้เป็นปัจจุบันเรารู้จักปัจจุบันนี้เราก็รู้จากอดีตการทานข้าวเป็นอดีตการอยู่สบายอยนนี้เป็นปัจจุบันเพื่อจะทำงานต่อไปอนาคตก็คือเป็นเหตุของอนาคต เช่นนี้มันก็ตั้งอยู่ในอันเดียวพระธรรมโมยเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวไม่มากมีเท่านี้เมื่อเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอนาคตเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอดีต มันวิ่งถึงกันเสมอเพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลใช่ไหมนี่พูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องผลที่เราประพฤติปฏิบัติที่มันเกิดจะมันมันเหียบคลายที่นี่พูดส่วนจิตใจไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สงสัยมันหมดการรูปครัมของมันแล้ว ที่นี่ก็อยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ในโลกตามธรรมชาติอยู่ในโลกที่ดีกว่ามันสงบหาความสงบในที่มันไม่สงบได้เขาอยู่ในโลกนี้ได้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้รพระพุทธองค์ของเราแสนที่เดียวในโลกนี่กานก็หาความสงบในโลกนี้ได้นักผู้ เราพวกปฏิบัติคนเหมือนกันไม่สำคัญว่ามันเป็นอย่างโน้นไม่สำคัญว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นเมื่อมีอะไรก็ต้องพิจารณามันเมื่อไม่มีอะไรก็อยู่สบายไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็ เฉยอยู่ตามธรรมดาเฉยๆมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ไปเฉยๆถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดจะมาจับยกขึ้นมาพิจารณาถ้ามันรู้แล้วก็แล้วไปถ้ามันไม่รู้ก็ปล่อยมันไว้นั้นแต่วันหลังมันจะรู้มันต้องรู้เข้าที่มันทุกอย่าง อย่างนี้<ม>ผลที่สุดนั้นจิตของเราควรต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอารมณ์ที่มันมากระทบ<ม>อายตณะทั้งหลายนั้นมันจะรวมเข้ามาสู่จิต ท, ทั้งหมด ดูจิตดวงเดียวมันจะรู้ดินตาหูจหมูกบินกาย<ม>ก็คือมันมีอยู่แล้วดูจิตอันเดียวเท่านี้แหละ<ม>ต่อ น, นั่นไปอีกมันก็จะเห็นชัดกัาไปยิ่งกว่านั้นอนาจจรมาไปสอนบ่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญ คนเราเมื่อถูกอารมณ์มาแล้วมันคอยจะยินดีอันหนึ่งแตมันจะคอยจะยินร้ายอันนมันเป็นอย่อยางนี้คอยจะดีใจอย่างนี้คอยจะเสียใจอย่างนี้มันคอยจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราดูจิตของเราตั้งมั่นอยู่เช่นนี้เมื่อมันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มากระทบเราก็ไม่ต้องคิดไม่มากอืไ ไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันมีอารมณ์ของวิปัสนาอาศัยอยู่อารมณ์ของวิปัสนานี้ทำให้เราเกิดปัญญาเหมือนกันกับอารมณ์ของสมถทกรมาทาน จะพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรทั้งหลา ย, ยเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนาปาโนสติเหมือนเมื่อเราทําไปก็เป็นเหตุให้ใจเราสงบให้เป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์ของสมาธิของกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันไม่น่าเชื่อวิปัสสนาสมรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี้ไม่น่าเชื่อ มันจะเกิดมาสัมผัสหัวใมุมรื่นกายใจอะไรทุกอย่างะเมื่อมารวมถึงใจรู้แล้วก็ยกอารมณ์ของสมรมสานขึ้นเลยตั้งมันว่าอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้ไม่แน่นอน ถ้าไปเชื่อมันเป็นทุกข์เพราะธรรมทั้งหลายดานนั้นเป็นอนาาัตตาของเป็นอนัตตาที่ไม่ใจตัวตนเรามาสำคัญมาตัวตนเข้ามันจึงเกิดกองทุกข์ขึ้นมาเพราะเราสำคัญผิด เราจะซ้ําย้ากับไปเจรนาหลยสิ่งทั้งหลายนี่มันไม่ใช่ตัวตนเป็จริงไม่ใช่ของของตนจริงๆแต่มันทําไหมมันติดเข้าใจว่าตัวตนหรือของตนนี่อันนี้เราต้องย้ํำไปเจตนามันดูแตไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่ทําไมมันเข้าใจว่าตัวตนเหนยวอันนี้มันเหนียว อันนั้นก็ไม่ใช่ของของตนแพ้แต่ทำไมมันก็้ใจว่าของของตนตามความจริงนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่เที่ยงทําไมมันจะเข้าใจว่ามันเที่ยงอันนี้ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นของไม่สวยงามทําไมมันดันกับไปว่าเป็นของสวยงามได้ อ, อันนี้เรามองเห็ น, นง่าย เราจะได้เห็นว่าเออไอหลงมันเกิดจากอะไ น, นี่นทีนี้ถ้าหากว่าเรายกวิปัสนากามาฐานอารมณ์เขามีปัสนากามาฐานขึ้นเนี่ยไม่ตรงมากมไม่ตรงมากครับกำหนดง่ายๆเห็นไหาเรารับแขกอยู่ในห้องอเรารับแขกอยู่ในห้องไอที่ห้องของเรามันมีเก้าอี้อันเดียว แขกมันก็เข้ามาหาเราจะมาหาที่นั่งที่นั่งของแขกไม่มีนะเพราะที่นั่งมีอันเดียวเราก็เลยไปนั่งู่แล้วเมื่อแข ก, กมาหนึ่งคนก็รู้จักสองคนก็ต้องรู้จักสามคนก็ต้องรู้จักรู้จักมันหมดทุกคนเลยเพราะว่ามันหาที่นั่งไม่มีที่นั่งมีอันเดียว อันนี้อันเดียวเราก็ไปนั่งแต่แขกไม่มีที่นั่งที่นี่เราก็มองเห็นแขกตามสบายไม่มีที่นั่งเรื่องเราเห็นว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงแล้วไปหยุดหยุดตรงนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องมันไม่เที่ยงมันจะเห็นชัดขึ้นมาเรื่องมันเป็นทุกข์ก่อนเห็นชัดขึ้นมา เรื่องเป็นอนัตตานล้วก็ชัดขึ้นมาโดยลอกเห็นชัดชัดขึ้นไปยิ่งกว่าที่มันสงบในสมาธิธรรมฐานเนี่ยชัดรูด้เรื่องตามความเป็นจริงอะไรมันฟอกกันมาอะไรมันเป็นเครื่องฟอกคือเรื่องอารมณ์ของมีปัฒนาธรรมฐานนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นมา เราจะสําคัญว่าอันนี้มันของสวยดูไปนานๆดูไปพิจารณาด้วยมันเป็นของไม่สวยได้อันนี้มันเที่ยงเนึกว่ามันเที่ยงเราบอกว่าเนื้อนี่มันไม่เที่ยงหอกต่อไปมันรวมของไม่เที่ยงเพราะความจริงมันอยู่ตรงนั้นมันจะไปนั่งที่อื่นไม่ได้หรอกมันมานั่งที่นั่นมานั่งทีเดียวแขกไปมีที่นั่งมันก็มานั่งกับเราเนี่ยไอ้ที่นั่งของแขกที่นั่งแห่งเดียวเราก็ไปนั่งอยู่แล้วมันก็ไม่มีที่นั่ง ไม่มีที่นั่งแล้วก็มองเห็นกิริยาของแขกตามสบายที่มาสู่บ้านของเราแล้วก็ดูเรื่องมันหมดทุกอย่างหมายความมาต้องเห็นอันนี้จังเห็นถูกขังเห็นดวงตาอย่างชัดเจนแน่นอนมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่สงสัยแล้วมันไม่สงสัยอย่างนั้นออันนี้เป็นธรรมเรื่องสูงแค่นั้นก็นั่งอยู่มีตามีหูมีจมูกมีริมมีกายมีจิต ก็มีเจเื่องรูปปล่อยวางอยู่สมอไม่มีอะไรอือย่างนี้ อ, อันนี้จะทำยกอารมณ์ของมีปัสสนากรรมฐานอีกขึ้นบ่อยทุกอย่างก็มันเกิดปัญญามมืาลารหมดทุกอย่างได้ะคะเกิดผล้นมอม อ, มอันนี้อย่าเพิ่งว่า การกระทาของเราเนี่ยบางทีมันก็ทำตามอานาจของเราตามอำนาจใจของเรายังไงวันนี้ขี้เกียจมันก็ไม่ทำขยันจินทำขี้เกียจไม่ทำทำอย่างนี้ก็เรียกว่ามันทำตามอานาจที่เลชธรามนาตใจของเจ้าของ ตามธรรมะนั้นไม่มีขยนันไม่มีที่เกียตพูดถึงเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นขยันไม่มีที่เทียตไม่มีมันจะเรื่อยเพราะมันอย่อยางมันเป็นสภาพอย่างนั้นเลยทีเดียวถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็เรียวกว่าเราจะไม่ต้องทำอะไร ก็เสมอว่าผู้เสเจิตที่จะต้องทำแล้วก็เก็บไว้ดูเฉยเฉไม่ต้องทำแต่มาเรื่องจิตใจที่มันเคยสะสมมาแล้วนะ่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนี่คือการปล่อยวางที่นี่มันจะไม่มีอะไร มันมีราคาเท่าๆกันดูอะไรมันเหมือนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันรวมเป็นเดียวกันโน่นมันเิงจะหมดความสงสัยในระยะแรกๆเนี่ยโอ้โมันสงสัยละคิดก็มาสงสัยก็มาสารพัดอย่างเพราะอะไรอยากจะรู้เร็วอยากจะรู้ง่ายอยากจะรู้ลางความทิมของมันอย่างนี้ คือความอยากเนี่ยมันมากกว่าความกิน ม, มันมีบทคือมันมีขั้นตอนเช่นหนึ่งการกระทําของเราติดต่อสองยังมีวาสนาบารมีของเราด้วยติดต่อพยายามอย่างนี้ เราอย่าไปคิดยัง่งยนสิแม่อันนี้มันกาทำายังไม่ได้มั น, นยังไม่ได้ก็ีูเยอะว่ามันไม่ได้ยังไม่ถูกเลยไมมีความดีใจมันมีความเสียใจอยู่เสมอมันจะไปยังไงก็ชั่งมันเถอะถ้าสิ่งทั้งหลายเ่านี้ไม่เกิดขึ้นมากระทบล้วไม่รู้เรื่องว่าเราไปถึงไหนไม่ใช่มันเป็นของเหลวแล้วไม่เป็นของดีแล้วมันเตือนโดนอะ่ะอารมนี เราไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนมันรู้จักนะ่ะอืบางคนก็อยากจะรู้จกักกระทบอารมณ์ดีๆหนะ่อชอบอย่อยไม่รู้จั ก, จกไม่ฉลาดไอความเป็นจริงอารมณ์ดีไม่ชอบใจนั่นนะ่ะไอมันกระทบดูเพียมันจะเป็นยังไงไหมอันนี้พูดถึงที่มัน ร, มรมวมแล้วมันจะเป็นยังไงฉะนั้นพูดถึงด้ารการปฤฤฏิปบัติเนี่ยนะ ให้เข้าใจว่าอย่าไปหาอุดิวิต น, นอกจากตัวของเราเราที่จะแก้ความสงสัยเราได้จริงๆมันก็คือเรื่องปฏิบัติกลับไปเห็นชัดเองมีเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เป็นผู้ภาภาคเป็นผู้พาจารย์ต่อจากครูมาอาจารย์ไปนิดพิจารณา มันต่อไปอย่างนั้นแต่ว่ามันง่ายถ้าเรามีวาสนาบรารมีมันน้อยคนอื่นช่วยบอกมันไม่เสียเวลาในเรือนดัดตรงไปทางโน้นถ้าเราไปคนเียวอ้อมหาเอาเองเนี่ยอ้อมเสียเวลาไม่ได แต่ว่าความสงสัยนั่นน่ะมันจะเหิดแห้งไปเองด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องสงสยัย ม, มันจะเหิดแห้งไปด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยตะปะของเรานี่เองอถ้าพูดถึงส่วนที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ ที่เราปฏิวัติมันแต่มันไม่พอใจเรามันมันยังไม่พอใจเราเท่านั้นแหละแต่หากเรามาคิดดูเรามาคิดดูแต่เนี้ยเร า, เร า, เราเย้อนไปถึงเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มสคนก่อนที่เราไม่เคยได้ฝึกมันไปแค่ไหนคนนี้นเนี่ยเมืราย้อนถึงไปอย่างนี้น่ะเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราประสบธรร ม, มะมันมีมาก เก็ยีนาถอยดังกลับไปอืมแล้วก็ช่วยจิตเให้มันบานขึ้นนี่เลยว่าควรฉันดเสนในบางครั้งในบางคราวในมันบานขึ้นมาอย่างนี้ อ, อย่าฉันดเสนมันยังเดียวเรื่องจิตนี้ให้ลินธามันบ้างบังคับมันบ้างอยาบัางคับมันยังเดียว เช่นยกตัวอย่างว่าเรานั่งธรรมดาเรานั่งก็อยากนั่งนานๆแต่ว่าเมื่อการฝึกของเราเนี่ยสังขารก็เรียกว่ามันเป็นสังขารเป็นธรรมดามันมีเจ็บมันมีปวดมันมีเมื่อยแล้วรพัดอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้นอันนี้มันเรื่องของสังขารทางกายขรงนี้ถ้าเร า, ารนั่งนานๆทำนานๆความชานานมันเกิดมีเป็นมา ครั้งแรกเรานั่งเน่ยสัห้านาทีก็พอแล้วต่อนานๆไปจะปรบนั่งเนี่ถึงสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีนั่งถึงชั่วโมงนี่เขา ด, ดื้อแหมเรานั่งเนีนานแต่เราเข้าใจเรายังนั่งนานไม่ได้ทำไมอืมเราที่อยากจะได้ก็้องเป็นนั่งด้า น, นประการที่สองให้เข้าใจว่า การยืนหนึ่งการเดินหนึ่งการนั่งหนึ่งการนอนอยน่า ง, หงให้เป็นดิยาบทปฏิบัติอยู่เสมอต้งนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วปฏิบัตินั่งสมาธิริงเวปปฏิบัติอย่าไปเข้าใจอย่างผิดนานอาจจะไม่เป็นก็ได้ พราว่าคนเรามันจะนั่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีนีจะต้องทำสติเนี่ยตามวิทยาบทของเราอ่ะการยืนการเดินการ น, นั่งให้มันรู้ตัวสม่ำเสมออยู่ด้วยถ้ามันขาดไปกป็ยกขึ้นมาต่ออันนี้เร็วเป็นเร็วฉลาดเลยฉลาดในอารมณ์ฉลาดในการฝึกเย ให้เขาใจอย่าง น, นั้นแม่เหลือนิดเดียวที่เรายัางนอนก็าหายใจเข้าออกแค่ไม่จะนอนแล้วก็ยังกำหนดหรู้ไว้ฝึกหัดจริงๆที่มีผ้าหากว่ามันรู้ฝึก น, นานๆนะมันจะไม่นอนนะมันจะมีความเตื่นนะ มันจะไม่นอนมันนอนแต่กายของมันนี่จิตมันตื่นจิตมันตื่นมันตื่นมันรู้อยู่พอแต่ว่าเราตื่นพรึบอะไรมันถึงตัวเราเหมือนนั้นมันไปคว้าเอาอย่างอื่นมาเป็นอารมณ์เลยตื่นมันตื่นอยู่เรื่องการนอนมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของกาย พักผ่อนทางกายกายเข้าไปพักผ่อนแต่ว่าผู้ตื่นอยู่ในี่มันตื่นอยู่ตลอดทั้งกลางวันกัางคืนมิฉะนั้นอนนอ น, น, อนก็เหมือนที่ว่ามันไม่ได้รับแต่ว่ามันไม่มีมันตื่นอยู่ฉะนั้น การฝันของผู้ปฏิบัตินี่มันถึงไม่มีถ้าฝันก็เป็นสุบินไปชัดเจนขึ้นมาเลยการฝันนี่มันจะน้อยที่สุดหรือต่อไปมันอาจจะไม่มีเลยก็แล้วคือมันอยู่ในท่าทางที่เราไม่หลงมันมีสติอยู่แล้วตื่นอยู่ทงจิตให้มันตื่นอยู่อืมเร็ว มองไว้ทำจิตให้คล่องฟ้องไว้ทันเพื่อนคุยฝึกจิตให้มันคล่องถ้าจิตมันสงบแล้วฝึกจิตให้มันพิจารณาร่างกายตนและร่างกายคนอื่นเห็นมันมารวมเข้ากัน ให้เห็นเป็นสภาพอนียวกันอยู่อย่างนั้นดูเรื่อยก่อนที่จะนอนก็นดูร่างกายเราจนจบตื่นขึ้นมาก็พยายามดูร่างกายเราจนจบนี่จะเป็นคนไม่ระมือไม่ใฝ่ฝันไม่อะไรทั้งนั้นนอนเฉยๆตื่นเฉยๆนอนนอนนอนในความรู้ตื่นในความรู้ รู้แล้วคนมาก็าแจมใสไม่มัวมองไม่มัวมองแจม้มใสอย่างไรก็ตามมันเถอะอยากจะมาเล่าให้ฟังนะเนี่ยไม่นึกไม่เห็นว่าจิต ม, มันจะสงบได้ในเวลาอย่างนั้นแต่ว่ามาเรือนจากฝนมาเฉย มานั่งมันเป็นอย่างนั้นมันแสดงปฏิจจิยาเกิดอย่างนั้นนี่ะนั่น ท, ทันทมสอนที่สุดทางหลายอย่าประมาทความประมาทนี่เป็นทางแห่งนรตายเป็นทางแห่งความตายให้เข้าใจอย่างหนักแน่นเยอะเกิน เมื่ อ, อไรเราจะทำงานอยู่ก็ตามให้มีปัญญาคิดอะไรอยู่มันก็จะมีปัญญาโกะอยู่ก็ต้องมีปัญญา